มีพระสูตรอยู่สูตรหนึ่งที่ว่าค่าพ่อแม่ไม่บาปน่าสนใจไหมลองพ่อครับอกว่าพระพุทธเจ้าบอกให้ไปค่าพ่อข่าแม่อะไรสูตรนี้มีอยู่สูตรหนึ่งเห็น <c oughs> <c oughs> ในค <c oughs> าถาธรรมบทปกิ น, กกนนกะวักเหนในเรื่องพระละกุลตกะพัทธิยะเทระ <c oughs> <c oughs> คือเรื่องเขามีอยู่ว่า วันหนึ่งเนี่ยพระอคันตุกะหลายรูปด้วยกันเข้าไปเฝ้าพระศ า, าสดาผู้ประทับนั่งที่ประทับกลางกลางวันน่ยนะถวายบังคมแล้วก็นั่งที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็พระองค์ก็นั่งที่สาราเนี่ยที่ส่วนคันตุกะไปถึงก็ไปกราบขณะนั้นพระละกุนตระพัทยเทระเนี่ยเดินผ่านไปในที่ไม่ไกลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า พระศาสดาทราบวาระจิตคือความคิดของพิสูจน์เหล่านั้นแล้วก็ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพวกเธอเห็นหรือพิสูจนี้ฆ่า ม, มารดาบิดาแล้วเป็นผู้ไม่มีทุกข์ปอยู่<ม>เห็นไมผ้ารหันนะเห็นไมผ้ารหันที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วท่านหมดความทุกข์เลยอะ่ะไอนน้ต้องฟังให้จบเนาะฟังไม่จบเนี่ยวไม่ได้เมื่อพิสูจนเหล่านั้นมองดูหน้ากันและกันแล่นไปสู่ความสงสัยอ่ะนะเอ ทุแข่งก็บอกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นอนันตริยกรรมใช่ไหมแล้วมาบอกว่าภิกษุรูปนี้ท่านฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วท่านหมดท่านไม่มีความทุกข์แล้วนะท่านอยู่ด้วยความสุขแบบนั้นก็สงสัยว่าพระพุทธเจ้านีนตรัสอะไรอยู่หนอก็กราบทูลว่าที่พระ อ, องค์ตรัสนี้หมายคำว่ายังไงพระองค์ก็แสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าบุคคลฆ่ามารดาบิดาฆ่าพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ทั้งสอง และฆ่าแวนแควนพร้อมด้วยเจ้าพนักงานเก็บสวยเป็นพรามไม่มีทุกปอยูอนนะคือหมายว่าฆ่าแล้วฆ่าและเป็นท่ารหันเนี่ยนะทีนี้อะไรคือพ่ออะไรคือแม่อะไรคือพระราชาอะไรคือแวนแควนอะไรคือเจ้าพนักงานเก็บสวยปราณนั้ น, นอันนะัที่ฆ่าแล้วก็จะหมดทุกเลยนะ คือพ่อแม่ในที่นี้ไม่ใช่พ่อแม่โดยโวหารแต่ว่าพ่อแม่โดยประมัดพพ่อแม่โดยสภาวะนะะคือคำว่าพ่อแม่โดยสภาวะเนี่ยนะว่าชีวิตของเราเนี่ยเกิดจากอะไรมีอะไรเป็นพ่อมีอะไรเป็นแม่นะพ่อแม่ของชีวิตแท้ๆเลยนะของสภาวะนะไม่ใช่พ่อแม่แบบที่เลี้ยงเราที่อะไรไม่ใช่หมายพ่อแม่ที่ เลี้ยงดูปูเสือให้เราเจริญเติบโตไม่ใช่หมายถึงพ่อแม่นั้นแต่หมายพ่อแม่ที่ดํารงไว้ให้เราเนี่ยทรงอยู่ในวัฏฏะเนี่ยนะหล่อเลี้ยงเราไว้ในวัฏตะไว้เสมอไปที่ไหนหก็ไปด้วยอุปธรรมคัาชูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะในพระคถานั้นบัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยว่าตันหาชื่อว่ามารดาเพราะให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดในภพสามพระพุทธพจน์ตรัสว่าตันหายังบุรุษให้เกิดแตนะ่ที่เกิดเกิดเนี่ยมีตันหาทั้งนั้นแหละ เนี่ยเพราะฉะนั้นแม่ที่พาเกิดก็คือตัวตันหาเนี่ย น, นะส่วนพ่อก็คืออัศมิมาณะชอวบิดาคำว่าพ่อนี่มีหลายนายนะเช่นถ้าพูดโดยปัจจัยเนี่ยนะมีกรรมเป็นพ่อแต่ตรงนี้อัศมิมาณะเนี่ยเป็นพ่อฟังกัน เพราะอัสมิมานะนี่อาศัยบิดาเกิดขึ้นว่าเรานี่เป็นราชโอรสของพระราชาชื่อนู้นเป็นบุตรของมหาอมาตย์ของพระราชาชื่อนั้นเนี่ยนะคือพ่อเนี่ยถ้าชาติตระกูลสูงลูกก็ชาติตระกูลสูงไปด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้มานะเนี่ยที่ที่ได้มาเนี่ยอันนี้แหละเป็นเหมือนพ่อทแท้ๆเลยนะมานะนี่แหละเป็นเหมือนกับพ่อเอาล้วนะได้แล้วพ่อแม่นะว่าพ่อแม่คือ ตันหาพ่อคือมานะนั่นะนะทิฏฐิทุกชนิดย่อมอิงศาสตตทิฏฐิและอุเฉ ท, ทัทฐิทั้งสองเหมือนชาวโลกอาศัยพระราชาฉนั้นเพราะฉะนั้นศาสตตทิฏฐิและอุเฉ ท, ทัทฐิจึงชื่อว่าพระราชาผู้กษัตริย์ทั้งสองพระองค์นะพระราชาพระองค์นี้่าซะทั้งสององค์เลยนะทั้งสัสตตตทิฏฐิทั้งอุเฉ ท, ทัทฐิเพราะเขาใหญ่มากนะเขาคุมพื้นที่หมดอะต้องปรึกษาเขาหมดนะน้ แล้วแต่ทิฐิก็จะเสี้ยมสอนให้ไปยังไงเนี่ยแล้วแต่ทิฐิจะบัญชามาเพราะฉะนั้นทิฐินี่จิงเหมือนกับพระราชาแวนแขวนแวนแขวนที่มันกว้างใหญ่ไพศาลเลยนะดุดแผ่นดินนี่อะไร <c oughs> บอกว่าอายตนะสิบสองนั่นนะอายตนะภายในอายตนะภายนอกเนี่ยเป็นเหมือนแวนแขวนเพราะคล้ายคลึงกับแวนแวน โดยอัฏฐะว่ากว้างขวางเนี่ยนะตานี่กว้างขวางไหมสีนี่ก็กว้างขวางนะหูกว้างขวางเสียงกว้างขวางจมูกก็กว้างขวางกลิ่นก็กว้างขวางลิ้นก็กว้างขวางรสกว้างขวางกายก็กว้างขวางโพธิภพกว้างขวางมโนก็กว้างขวางเรื่องที่คิดนี่ก็กว้างขวางไปหมดเลยเพราะฉะนั้นกว้างขวางดุจวัลควันเหมือนแผ่นดินนะนะอ่าแล้วเอ๊กว้างขวางขนาดนี้ยังมีคนตามเก็บสวยอีกนะอะไรใครจะใครเจ้าพนักงานเก็บสวยเหมือน บอกความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีก็คือนันทิราคะนะนันทิราคะอาศัยอายตนะนั้นน่ะดุดบุรุษเก็บสวยจัด ก, การสวยให้สําเร็จชื่อว่าเจ้าพนักงานเก็บสวยนะเนี่ย้อนอีกครั้งหนึ่งนะตันหาเหมือนกับแม่อัสมิมานะเหมือนกับพ่อทิฐิเหมือนกับพระราชาสองพระองค์นั่นนะอายตนะสิบสองเหมือนกับแวนควัน เจ้าพนักงานเก็บสวยคือตัญหาที่ตามเก็บทุกอารมณ์อ่ะนะตามเก็บสวยหมดอะ่ะก็มีอันไหนบังที่มันเว้นอ่ะนะไม่มีมันตามเก็บหมดนะนะไอ้ตัญหาเจ้าพนักงานเก็บสวยคือนันที่ราคะบทว่าอานีโคแปลว่าไม่มีทุกพรามโนได้แก่ผู้มีอาสะวะสิ้นแล้วอันผู้ที่ฆ่าอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะเป็นผ้ารหัสสิ้นทุกนะนะสิ้นอาสะวะหมดเลย ในพระคถานี้มีอธิบายดังนี้ว่าผู้ชื่อว่าอาสะวะสิ้นแล้วเพราะกิเลสเหล่านั้นมีตันหาเป็นต้นอันตนกําจัดได้ด้วยดาบคืออรหัตตมรคยานจึงไม่มีทุกไปอยู่เนี่ยนะนะก็ผู้ที่ฆ่ามารดาที่นําเกิดอ่ะนะนำะนะปฏิสนธิในกําเนิดสี่ในคติห้นะี่นะไอ้ตัวตันหานั่นแหละนะตัวนําเกิดอย่างแท้จริง ถ้าจะกล่าวว่าแม่ผู้นําเกิดนะอย่างชาตินี้ท่านก็ให้เราเกิดได้ครั้งเดียวนะไม่ต้องไปฆ่าท่านท่านก็ตายอยู่แล้วไม่ฆ่าท่านยังตายเลยอย่างนี้นะแต่ว่าพูดถึงไอ้ตันหาที่พาเราเกิดไปเรื่อยเนี่ยนะไม่รู้จะไปเกิดที่ไหนอีกบ้างกา็ไม่รู้ไอ้ตัวนี้หน่าข่ามมากแล้นะเพราะว่าเกิดมาทีก็ทุกทีเนี่ยนะนะเพราะว่าการเกิดเนี่ยผลของการเกิดก็คือทุกข์ใช่ไหมไหนั้นไอ้ความเพลิดเพลินหรือตันหาตัวนี้แหละที่นํานําเกิด ควรค่าทิ้งเป็นอย่างยิ่งนะนะเพราะว่าเขาส่งไปทุกนะนะคนที่ส่งไปทุกเนี่ยถามว่าหน้าหน้ า, ห น, าหน้าเอาไว้หรือหน้าค่าทิ้งกันนะส่งให้ไปทุกในนรกทีหนึ่งนะนะส่งให้ไปทุกที่เปรตทีเดรฉ า, านทีอสุรกายทีมาเป็นมนุษย์ก่อนเนี่ยที่หมอบรรยายทั้งหมดนี่ถามว่าสอนไตรลักษ์อยู่หรือเปล่าสอนไหมไตรลักษ์มีสามไงไตรแปลว่าสามลักษณะสาม อยู่ในไตรลักษณ์ก็อนิจจังทุกขังอนัตตานะหมอหมอพูดอะไรอยู่โดยมากทุกขลักษณะว่าเออเนี่ยมันทุกเป็นอย่างนี้แหละทุกอะแล้วก็จบด้วยอนิจจังเรื่อยนะว่ารักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเนี่ยนะก็จบที่ไตรลักษณ์นนะไม่ทราบว่าเบื่อหน่ายวตาขึ้นไหมเพราะว่าตายหมดอต่รักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเนี่ยนะตายเร็วตายช้าเท่านั้นแหละเพราะว่ายังไงก็ตายอยู่แล้วนะถ้า เคยมีพระพิสุกไปถามมามีไหม ท, ที่ที่มันไม่ตายะนะครับบอกว่าถ้าเกิดแล้วยังไงก็ต้องต้องตายอันนี้เป็นธรรมนิยามเนี่ยนะนิยามนี้แปลว่าแน่นอนเช่นว่าถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเนี่ยต้นตอนเย็นต้องต้องตกรู้ไหมอันนี้นิยามถ้าโยนของขึ้นบนไม่มีอะไรรองรับอันนี้แน่นอนไหมแน่นอนตกนั่นะตายก็เหมือนกันเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นแหละไม่มีไม่มีว่างเว้นอาจจะ สั้นบ้างยาวบ้างอะไรถ้าได้ปัจจัยพร้อมก็อาจจะ ย, ยืดหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าปัจจัยแห่งความตายเนี่ยมีมาก น, นะะไม่ใช่มีอย่างเดียวใช่ไหมอะไรบ้างอ่ะชีวิตเนื่องด้วยลมหายใจสมัยนี้โอ้โหอุดจมูกกันใหญ่เลยนะกลัวกลัวลมหายใจบางอย่างจะไปฆ่ายิ่งสงครามสมัยใหม่นี่ใช้จะปิดจมูกกันหมดเลยนะกลัวว่าไอ้ความตายจะพาไหลไปทางทวารจมูกเห็นะ ทวารลิ้นก่อพาตายได้นะทวารปากในอาหารก็เป็นเหตุแห่งความตายนะนะใครจะคิดว่าเมื่อก่อนอาหารเนี่ยคือสิ่งที่บำรุงให้มีชีวิตอยู่ยืนยาวใช่ไหมแต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะทําให้ตายเร็วขึ้นก็ได้นี่นะนะอาหารบางประเภทบางกลุ่มเพราะันปัจจัยแห่งความตายนะทวารจมูกก่อนสองทวารลิ้นนี่นะนะแล้วก็ต่อไปอีกก็บอกว่ามันฆ่ากันเองแหละธาตุในข้างในกายนะ ธาตุสีมันฆ่ากันเองอ่ะนะเช่นธาตุดินมันก็ฆ่าธาตุน้ำก็ได้ฆ่าธาตุลมก็ได้ฆ่าธาต e ุไฟก็ได้ทาดเ้ยธาตุน้ำมันก็ฆ่าธาตุอื่นๆได้เนี่ยนะธาตุลมมันก็ฆ่าธาตุอย่างอื่นมันไอธาตุสีที่อยู่ในกายเนี่ยมันฆ่ากันเองได้อานนธาตุดินมียี่สิบนะธาตุดินยี่สิบธาตุน้ำสิบสองธาตุลมหทธาตุลมหกธาตุไฟสี่เนี่ยนะธาตุเหล่านี้เดี๋ยวมันว่างๆมันฆ่ากันเอง ะอยู่ชเฉยๆความร้อนมันยังขึ้นเลยใช่ไหมเนี่ยนะอาหารเก่าข่าล้ำไส้บ้างนะธาตุดินข่าธาตุดินใช่ไหมเนี้ยว่างๆธาตุน้ําไปข่าธาตุดินอีกหนึ่งนะพวกเลือดก็ไปข่าส่วนอื่นๆอเองมันข่ากันกลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละธาตุไฟข่าธาตุลมมะนธาตุสีมันข่ากันเองก็อันนี้ก็ตายอันนี้ก็เหตุอย่างหนึ่งของความตายและต่อไปก็คือ แล้วเอาอะไรมารับประกันว่าไอปฏิสนธิจิตนี่มันคุณภาพชั้นยอดนำเกิดหมายมหากุศลชนหนึ่งเลยนำเกิดเนี่ยมีไหมเอาอะไรมามั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าไอวิบากจิตมันจิตชาติวิบากจิตชาติวิบากเนี่ยอาศัยชนะกกรรมก่อนไงทีนี้ต้องอาศัยอุปธรรมพรกกรรมด้วยถ้าพอดีไอสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอุปถรมก็คืออุปปีใช่หมใครจะรู้ว่าสร้างสตรูมาขนาดไหน แล้วถ้าหากว่าสิ่งที่ตรงข้ามกับตัวนําเกิดอันนั้นเรียกว่าตรงกันข้ามกับผู้ให้เกิดก็คือผู้ให้อะไรผู้ให้ตายว่า ง, างอุปเชษกะกรรมมาตัดอีกเนยเพราะฉะนั้นไอ้อุ ป, ปปีและกะกรรมก็ไม่รู้ทําบาปไว้เท่าไหร่อุปคาตกรรมเนี่ยทํำปานาปิบาตเอาไว้เท่าไหร่นี่ยนะว่างก็เจตนากรรมเหล่านั้นเนี่ยเป็นปัจจัยให้จุติได้หมดเลยนั่นชีวิตเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่ ที่เกิดมาแล้วเนี่ยตายทางคําสอนสังเกต ด, ดูในพระไตรปิฎกเนี่ยนะมีน้อยสูตรมากที่จะพูดว่าทํายังไงอายุจะยืนขึ้นยาวขึ้นมีน้อยอ น, นะมีตําหนี่อยู่บ้างเช่นคนกินมากเกินตายเนี่ยอาหารก็ไม่ค่อยย่อยเป็นเหตุให้อายุสั้นนะนะก็มีอยู่บ้างแต่ว่าน้อยสูตรมากมีแต่สูตรว่าอีกไม่นานก็ตายอาจจะตายเช้าตายสายก็ได้ตายบ่ายตายค่าตายเย็นตายได้ดตลอดเวลาเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นควรทำกุศลนะควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี น, นะไปที่งานคุณแม่คุณพภ า, พาเนี่ยนะพอดีไปตอนเขาจัดดอกไม้พอดีเลยนะนั้นก็จัดดอกไม้กองกๆงกองกองกองะนะเลยนึกถึงพระสูตรที่ในคาถาธรรมบทแหละที่พระองค์ตรัสกับตรัสเหตุเนี่ยนะปารบนางวิสาขาที่บอกว่า ยะถาเปปุปราสิมหากยิรามาลาคูเลพหูเนี่ยนะเอวังชาเตนะมัจเจนะกตัะพังกุสลังพหงบอกว่านายมาลาการผู้ฉลาดเนี่ยนะถ้าเห็นดอกไม้เขาก็สามารถไปตัดไอ้ดอกไม้อะจากกองดอกไม้มาร้อยเป็นเป็นพวงมาลัยใช่หมวางก็น่าดูเลยนะถ้านายมาลาการผู้ฉลาดเห็นดอกไม้กระจา ก, กระจายในสวนเข้ามาแต่งได้เป็นดอกไม้อย่างงดงามฉันใด เอวังชาเตนะมัดเจนะกัตตพังกุสลังพหุงเนี่ยนะว่ามัด จ, จะสัตว์มัด จ, จะก็คือสัตว์ที่ที่เกิดมาแล้ว่จะต้องมีอันตายเป็นสภาพหมายก็ว่าเกิดมาแล้วตายหมดแน่นะเพราะฉะนั้นควรทํากุศลให้มากพังนกุสลังพหุงเพราะฉะนั้นอตัวสาระจริงๆเนี่ยวิบากและกรรมชรูปคือร่างกายเนี่ยมันฐานะเป็นผลของเหตุอดีตใช่ไหมเป็นผลของเหตุอดีต อันนะถ้าจะคำหนึ่งให้มากถ้าจะกลัวให้มากกลัวที่ไหนกลัวที่กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกรรมตัวนี้แหละจะแต่งแต่งไปที่ที่ใหม่อนนะที่ครั้งก่อนเคยกล่าวว่ากรรมตัวนี้แหละเป็นเหมือนกับเหมือนกับพ่อใช่ไหมแต่ก็ทั้งนั้นทั้งนี้ก็อยู่ที่แม่เองนั่นแหละนะอยู่ที่แม่นะแม่ดูที่แม่จะพาไปเกิดที่ไหนดีนันเนะ ก็สังเกตจากอะไรบอกว่าสังเกตจากที่ชอบชอบชอ่ะนะชอบอะไรมากอ่ะเขาจะพาไปแถวแถวนั้นแหละนะสังเกตจากอัธยาศัยดูว่าหมกมุ่นเพลิดเพลินกับสิ่งใดมากจะพาไปเกิดแถวนั้นอนะพอดีดูเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งอ่มีเด็กคนหนึ่งอ่ะนะเด็กคนนี้เกิดมาเนี่ยชอบกินไข่เป็นชีวิตจิตใจเลยอ่ะเนี่ยในในในธรรมบทอ่ะนะ ชอบกินไข่มากเพราะฉะนั้นถ้าจะกินแต่ไข่อย่างนี้แหละบอกว่าตายจากชาติ น, น, นั้นไปเกิดเป็นอะไรน้กไเกิดเป็นไก่ก็ <c oughs> แสดงว่าจิตผูกพันกับสิ่งนั้นอะมากนั่นะแล้วสังเกต ด, ดูว่าจิตผูกพันกับสิ่งใดมากก็เปอร์เซ็นต์ไปเกิดแถวแถวนั้นเนี่ยสูงมากนะนะแล้วก็สังเกต ด, ดูว่าใจของเราเนี่ยปกติชีวิตเนี่ยเราคิดถึงอะไรมาก ถ้าไปปฏิสนธิอยู่แถวนั้นเนี่ยจะดีไหมไอความผูกพันเนี่ยเป็นตัวนําเกิดนะแต่ว่าตระกูลยังไงเป็นต้นอยู่ที่กรรมนะไม่ใช่ภาระของตันหาตันหาเขาพาเกิดอย่างเดียวแต่ว่าสมมุตินะสมมติว่าเขามาผูกพันกับอา้าวกับผูกพันกับคุณบุญโชยังไง น, นนะนึกชอบมากเออดีนะอะไรเนี่ยนะนึกชอบอยู่นั่นแหละเสร็จแล้วไอตัวเนี่ยตัวนําเกิด แต่ว่าจะไปเกิดในฐานะไหนเกี่ยวข้องกับกุลชูยังไงนะอยู่ที่กรรมอาจจะไปเป็นเฮาก็ได้อาจจะไปเป็นเห็บก็ได้แล้วก็แลแต่สมควรอ่ะนะเกิดว่าชาตินี้ต้องอยู่คุกคลีกับโรคมะเร็งเยีเยลวชาตนะิก่อนรก็ก็ไม่ใช่ทำบุญไว้มั้งไอส่วนที่ที่ต้องไปเห็นประเภทนั้นนะไม่ใช่ผลบุญแน่เนี่ยนะไม่ไม่ใช่ผลบุญอ่ะนะ ว่าเป็นผลของนี่แหละไม่ใช่บุญอะคือกรรมสายปานาติบาตอยู่แล้วนั่นตรงๆก็เป็นกรรมกลุ่มสายปานาติบาตน่นอีกเรื่องหนึ่งนะคล้ายๆกันว่าพระองค์ก็ปรารพระลักกุลตะกะพัทยเถระเหมือนกันคือพระลักกุลตะกะ พัทยาเทระเนี่ยเป็นพระที่เป็นพระเถระแหละแต่ว่าดูเหมือนเด็กเนี่ยนะใครที่ใครเห็นจะชอบเย้าท่านเล่นอะไรเล่นจริงๆท่านเป็นพระอรหันต์นะแต่ว่าตัวเนี่ยตัวเล็กอะนะตัวต่ํามากใครเห็นก็ก็ก็จะดูหมิ่นท่านอะไรท่านแต่ว่าท่านเสียงดีมากนยะแต่ว่าจะตัวต่ําตัวเล็กต่ําแต่เป็นพระอรหันต์บวชไม่กี่วันก็เป็นพระอรหันต์ที่ไปตัวเล็กที่ทําให้เขาดูหมินนะก็คืออดีตชาติท่านอะ ท่านเป็นหัวหน้าช่างใหญ่ในการสร้างเจดีพระพุทธเจ้ า, านะคนอื่นก็บอกว่าสร้างกี่ยอดกันดีคนนั้นก็บอกห้าเจ็ดยอคนบอกหกยอช่างก็ตัดตัญหาเลยเอาโยอดเดียวกันแล้วกันคนข้างหน้าไ ม, ม่มีปัญญาซ่อมหรอกเราทําแค่นี้ก็พอละ <c oughs> ป, ปากตัวดีนั่นแหละ <c oughs> ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่ควรไปไปคิดลดอะไรคุณของพระองค์ะนะ คือคือใครทําได้เท่าไหร่ก็ควรทําไปเท่านั้นไปไม่ได้ต้องไปดูหมิน่นมันจะต้องลดต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่ควรบอกว่าด้วยวาจานะั้นอ่ะท่านทําให้ท่านเป็นคนแคร์เลยนะมาชาติหลังก็ตัวเล็กมากมันวาจาใดถ้าพูดถึงพูดพิงเกี่ยวกับผู้มีคุณในด้านลบเนี่ยนะให้รู้ว่าติดลบอีกนานเพราฉะนั้น เ, เวลาพระองค์เนี่ยท่านเดินไปไหนเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งนะพระองค์ปารบพระรูปเนี่ยเป็นเหตุแสดงธรรมเนี่ยหลายเรื่องด้วยกันนะ คือพระละกุลตกะพัิพยเถระเนี่ยอีกที่หนึ่งพระองค์บอกว่าข้ามารดาข้าพระราชาผู้เป็นพรามทั้งสองได้แล้วและข้าหมวดหแห่งนิวรมีวิจิกิจฉานิวรเนี่ยเช่นกับหนทางที่เสือโคร่งเที่ยวไปเป็นที่ห้าแล้วเป็นพรามไม่มีทุกข์นนะข้าพ่อข้าแม่ก็คือข้าตันหาข้ามานะ ค่าพระพราชาทั้งสองผู้เป็นพราหมณ์ก็คือค่าทิฐิทั้งสองนะทั้งอุเฉตกับสัสตตทิฐิแล้วก็ค่าหมวดห้าแห่งนิวรนนะนะมีวิจิกิจฉานิวรนเป็นที่ห้าไอวิจิกิจฉาท่านบอกว่าเหมือนกับทางเสือโคร่งเที่ยวไปนันะซึ่งเมื่อวานก็ได้พูดถึงนิวรนไปบ้างแล้วใช่ไหมว่านิวรนเนี่ยเหมือนกับทางเสือโคร่งแต่ถ้า ตามพระสูตรที่อุปมาเหมือนกับไอ้ควันไฟเนี่ยนะสูตรอะไรนะที่พระกุมารคัสสะไปนั่นนะวอ ม, มิกสมมกสูตรนะสูตรเหมือนจอมปลวกอ่ะนะท่านนั้นบอกว่าวิจิกิชาเหมือนกับทางสองแพร่งน<ม>ั่นนะก็ให้ขุดทางสองแพร่งอันนั้นแต่ตรงนี้ท่านบอกว่าเหมือนทางที่เสือโคร่งเนี่ยเที่ยวไปไอ้นิวิตตัวนี้วิจิกิจชานิวอรเนี่ยนะอธิบายว่า บันเด็จเพื่องซาวิเคราะห์ในบทว่าวยักขะปัญจมังนี้ว่าหนทางที่เสือโคร่งเที่ยวไปเนี่ยมีภัยรอบด้านเดินลําบากเชื่อว่าทางที่เสือโคร่งไปแล้ว น, นนะคือภัยก็น่ากลัวก็รอบด้านนะทางเดินก็ลําบากนนะเพราะว่าเสือทั้งหลายเขาจะไม่เดินทางแบบสุ per highway อ, อะไรหรอกก็ไปเดินทางที่มันลําบากลําบากนะมีเหวมีมีชันมีอะไรเนี่ยตามเขาลึกๆอ่ะลักษณะนะ แม้วิจิกิจชานิวร์ชื่อว่าเป็นดุดทางที่เสือโครงเที่ยวไปแล้วเพราะความที่วิจิกิจชานั้นน่ะคล้ายกับผลทางเสือโครงเที่ยวไปแล้ววิจิกิจชานิวร์เนี่ยเช่นกับผลทางที่เสือโครงไปแล้วนั้นน่ะเป็นที่ห้าแห่งหมวดห้าแห่งนิวร์นั้นเพราะฉะนั้นหมวดห้าแห่งนิวร์จึงชื่อว่ามีวิจิกิจชานิวร์เช่นกับผลทางที่เสือโครงเที่ยวไปแล้วเป็นที่ห้านันะก็ นิวร์ตัวเฉพาะวิจิกริช น, นิวร์เนี่ยนะถามถามว่ามันน่ากลัวไหมบอกว่าน่ากลัวเพราะว่ามันพร้อมที่จะไปเป็นทิฏฐิได้ทันทีเลยถ้าถ้าผู้ที่ไม่เยกขายนะความสงสัยเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยถ้าไม่หาเหตุผลให้เพียงพอนะมันจะเข้าล็อกพอดีเลยเนะี่ยก็ก็เริ่มสงสัยแลย้วเอ๊ะจริงหรือพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเอาละพระธรรมนี่เขียนแต่งแต่ ง, ตงหลอกกันหรือเปล่าเนี่ยนะ ถ้าส่งปฏิบัติดีจริงหรือเขาไม่ดีออกมาทุกวันอย่างเงี้นีก็สงสยัยเออศีล ส, สมาธิปัญญาเนะีเราก็รักษาศีลฮาบ้างอยู่เหมือนกันทําไมไม่ให้ผลสักทีหนึ่งเนี่ยนะกรรมมันมีจริงหรือก็ทำชั่วได้ดีมีถมไปอย่างเง้นะหรือว่าทําดีได้ชั่วทําชั่วได้ดีมันมีหรือเปล่าก็เห็นอธินนาทานแล้วก็รวยเอารวยเอาอย่างเงี้นีมันก็เริ่มคิดพอคิดไปอย่างนี้เขาก็อะไรตามมาทิฏฐิก็เริ่มตามมา ปฏิเสธบอกไม่จริงหรอกเนีนะพอลงความเห็นอย่างนั้นทันทีก็เป็นทิฏฐิถ้าย้ำให้มันหลายๆครั้งมากเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องการคําชี้แจงด้วยกลุ่มพวกนี้จะไม่ต้องการคําชี้แจงแล้วก็จะพูดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนความคิดไม่ได้เห็นดีเห็นงามที่จะคิดแบบนั้นต่อไปอันนั้นก็กลายเป็นทิฏฐิไปแต่ตอนแรกเป็นวิจิกิจฉาก่อนนานๆก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปเนี่ยนะ วิจิกิจฉานี่เป็นตัวใกล้ๆกับทิฏฐิเป็นอย่างมากแล้วก็ให้พระองค์บอกว่าให้ฆ่าหมวดห้าแห่งนิวรณเนี่ยนะแต่ใช้คำว่าฆ่านี่ฆ่าด้วยอะไรดาบคืออรหัตตมัคคายานอรหัตตมัคคายมีอะไรเป็นอุปนิสัยให้มีอนาคามีมักเป็นอุปนิสัยให้อนาคามีมักมีอะไรเป็นอุปนิสัยสกธาคามีมักเป็นอุปนิสัยให้ นะ น, นี่มองแบบไกลๆหน่อยนะแล้วสกะธาคามีมักมีอะไรเป็นอุปนิสัยโซดาปฏิมกักโสดาปติมักมีอะไรเป็นอุปนิสัยมีโคตรภูยานข้ามโคตรอ่ะเป็นอุปนิสัยอันนะเป็นอนันตรปัจจัยแล้วโคตรภูมีอะไรเป็นปัจจัยอันนะก็มีสัจจานุโลมมิกยานนี่นะยานที่เห็นสัจจะหรือยานที่ เห็นแล้วอนุโลมตามสัจจะอนุโลมว่ายังไงอนุโลมว่าทุกสมุทัยนิโรธมัจยานเหล่านี้จะอนุโลมว่าทุกเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกและเป็นอนัตตาทุกขาริยศาสตร์นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสมุทัยอริยศาสตร์เนี่ยที่เป็นเหตุแห่งทุกเหล่านั้นเนี่ยสัจจาอนุโลมไม่ก็ยางจะบอกว่าควรละนะ่นไง เฮ้เนี่ยเหตุของมันเป็นอย่างนี้อันนี้ควรควรรัมากนิโรธที่สงบระงับจากสัจจะทั้งสองเหล่านั้นเนี่ยดีจริงอริยมรรคหรือปฏิปทาเพื่อแทงตลอดทางอันนั้นเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกตรงที่สุดนะนะความเห็นอันนี้เป็นสัจจานุโล ม, มิกญาณที่ที่ไปเห็นอย่างนั้นจริงๆคือยอมรับว่าอันนี้จริงๆที่ที่จะออกหมายว่าแก้ปัญหาให้พ้นจากวัตะทางนี้ทางเดียว ทางอื่นไม่มีในความเห็นอันนี้เรียกว่าสัจจานุโล ม, มิจยานสัจจานุโล ม, มิจยา น, นี่ก็คือวิปัสสนาทั้งหลายนั่นเองวิปัสสนาทั้งหลายว่าโดยรวมๆแล้วนะเห็นโทษของทุกขาริยาสัตว์ต้องการละสมุทัยอริยสัตว์เห็นว่านิโรธสัตว์เป็นของดีและก็รู้ว่ามรรคสัตว์นี่แหละคือทางเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงอันนั้นคือวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยจะรู้คุณสิ่งเหล่านี้ดี แล้วสัจจานุโล ม, มิกฉาเ น, นี้อาศัยอะไรเป็นปจัจจัยอาศัยอนุโพธฐานเนี่ยนะอตุโพธิญาณคือญาณที่รู้ตามลําดับมาต้องรู้มาโดยลําดับรู้มาจากไหนก็รู้โดยสุตะกับโยนิโสมนสิการถ้าหากว่าผู้ที่เป็นพระปัเจกโพธิสัตว์หรือสัมมาสัมพุทธโพธิสัตว์เนี่ยนะพระโพธิสัตว์เหล่านี้ท่านเกิดจากท่านโยนิโสมขึ้นเอง พูดตรงๆว่าท่านรู้เองอะนะท่านคิดได้เองอะแต่ว่าก่อนที่จะคิดได้เองเนี่ยเนื่องจากบารมีที่บําเพ็ญมานานแล้วแต่ส่วนสาวกทั้งหลายอาศัยสุตนะฟังจนบริบูรณ์พอว่าได้เห็นคุณบุญชูก็โอ้นี่ทุกขาริยาสัตย์นะจริงไหมทุกขาริยศัตย์จริงหรือเปล่าอ้าวจริงอะทุกขาริยาัตย์นี่หมายคำว่าไงคุณกระจาย ก็ในเห็นคุณมุนชูได้ก็เออนี่แหละชาติพิทุกขาชราพิทุกขามรณมพีทุขังเดินหน้ายืนเดินนั่งนอนได้ก็ชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปาญาตว่าย่อจริงๆอ่ะนะคืออะไรก็อุปาทานขันห้ามีตันหาเป็นที่ที่เกิดเนี่ยนะอันนี้ก็เริ่มน้อมไปตามแนวอริยศาสตร์บ้างแล้วใช่มว่าเออนี่ทุกความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้เป็นสมุทัยอริยศาสตร์ถ้าไม่เป็นไปเนี่ยดีจริงไหม อย่างน้อยที่สุดจะเห็นว่าออสงบระ ง, งับจากสิ่งเหล่านี้ได้เป็นสุขอย่างยิ่งก่อนนะนะแล้วค่อยมันค่อยโน้มไปบ้างแต่ถ้าไม่ไม่โน้มไปหาอริยศัสตร์เลยนะอยากจะ บ, บรรลุอย่างเดียวไม่ฟังเทศจบอยากบรรลุมั่งอย่างเงี้ยนะยังไม่รู้ว่าเขาบรรลุอะไรเลยตรงนี้เสียหายมากอนะ่นะนั่นกันอย่างน้อยๆก็ให้คิดถึงอริยศัสตร์เอาไว้บ้างแต่ถ้าไม่ไม่ปรารบอริยศสตร์ไม่พิจารณาโดยเย็บคายสุคุมรอบคอบ ใครครวรให้มากนะไม่พอหรอกที่จะละกิเลสเนี่ยนะไม่ไม่พอจริงๆที่จะละสมุทยไม่พอจริงๆที่จะเบื่อหน่ายในอุปาทานขันห้าเนี่ยนะั้นคําสอนเอ่อที่เห็นชัดมากๆที่ปริก็คือพระองค์จะแสดงว่าทำยังไงให้เห็นโทษของอุปาทานขันห้าให้มากที่สุดเนีย่ยนะอันนี้ข้อแรกให้เห็นโทษขันห้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้อสองทำยังไงผู้ฟังเนี่ย ตัดเยื่อใยในขันห้าได้สักทีมีสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าเธอจงตัดความเยื่อใยในตนเหมือนบุคคลเนี่ยถอนถอนอะไรถอนบัวถอนดอกบัวนะถอนก็ขาดพ้ชเลยนะเมื่อไหร่ที่จะตัดความเยื่อใยคือฉันราคะในตนได้ฉั น, นั้นเนี่ยนะเพราะว่าทางแห่งความสงบพระพุทธเจ้าก็บอกพระนิพพานพระองค์ก็แสดงแล้วงั้นถ้ายังยินดีในอุปาทานขันห้าก็อะไร ตัวยินดีเมื่อกี้คืออะไรแม่แม่แมอ่า น, นะแม่เขาเลี้ยงดูเลี้ยงดูอ่าแม่เนี่ยเลี้ยงดูเราดีมาก น, นะนะอ่านะอุ้มชูเราอยู่ตลอดเวลานะว่าเอานะลูกอย่าไปไหนเลยแม่จะอุ้มไว้ตลอดนี่แหละมานะก็แทรกเข้ามานี่แหละฉันละ่ะแล้วก็พอพ่อแม่พาเกิดอย่างเงี้ยนะพระราชาก็ปกครองพระราชาคืออะไรนะ สัสตะทิฏฐิกับอุเฉ ท, ท, ทัทิฏฐิจะปกครองเนี่ย น, นะเสร็จแล้วก็มีแว่นแควนให้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมมีแว่นแควนใหญ่โตมาก น, นะเจ้าพนักงานก็ตามเก็บสวยนั้นถ้าถ้าอยู่ในวัตตะก็เป็นลักษณะ น, นี้เมื่อไหร่ที่เห็นภายในอุปาทานขันห้าเห็นโทษของฉันทราคะแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อนายและคลายกหนัดนั่นแหละข้อปฏิบัติเพื่อความ พ้นทุกอย่างแท้จริงที่พระองค์ถ้ากล่าวให้ตรงๆนะพระองค์บำเพ็ญบารมีที่ยาวนานที่สุดก็เพื่อให้เพื่อมาสอนสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะเพื่อให้ให้พ้นจากจากทุกทั้งหลายเหล่านี้ก็หวังใจว่าเราทั้งหลายศึกษาพราะธรรมคำสอนขนาดนี้แล้วก็น่าจะเห็นภัยโดยอัธยาสัยก็ยังดีว่าเออน่ากลัวจริงๆนะอนะยอมรับด้วยใจขนาดนี้ก็ถือว่าได้ได้อุปนิสยัยเราว่าศาสนาภากยะต่อไปแล้วนัะนะนะ แต่ไม่ใช่มันยังดีอยู่นะอย่างถ้าถ้าอย่างงี้ก็ยังไม่ได้อุปนิสัยแสดงว่าพูดยังไม่ทันดีนะก็กลับไปอธิบายเรื่องทุกขาริยศัสตร์ใหม่บางอันพูดทาไมก็พูดจนกว่าจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพื่ออะไรก็บอกเพื่อเบื่อหนายและคลายกำหนัดเนี่ยนะถ้าไม่เห็นโทษเนี่ยจบเลยเพราะตอนนี้ ก็อย่างที่เคยกล่าวบ่อยๆว่าคําสอนของพระพุทธศาสนาจะหมดไปจากโลกเนื่องจากว่าคนทั้งหลายชื่นชมอุปาทานขันห้ามากขึ้นมากขึ้นยึดติดมากขึ้นมากขึ้นคําสอนที่เป็นไปเพื่อตัดชันทราคะในอุปาทานขันห้าต้องไม่มีนะก็สอนให้ผูกพันกับขันห้าไม่ผูกกับขันนี้ก็ไปผูกกับขันโน้นเอาไว้เนี่ยนะไม่ผูกกับขันนั้นก็ไปผูกกับขันโ น, น้นเอาไว้แต่ว่าว่าโดย ร, รวมๆแล้วก็สอนให้เกาะเอาไว้กับขันห้า คำสอนใดที่เป็นไปเพื่อตัดฉันทราคาในอุปาทานขันห้าก็จับหมดโดยโดยปริยายเนี่ยนะโดยโดยธรรมชาติมางั้นเถอะนี่ก็สมควรกับเวลาแล้วนะ